ประเด็นว่าเข้าใจข้อมูลกันหรื อ, อยังใช่ไหมคัจฉ า, ามีเนี่ยแปลว่าไปแปลว่าถึงแปลว่ารู้แนละเข้าใจในในพุทธโอวาชัดนะถ้าเข้าถ้ามันเข้าใจชัดไปเหอะไปรวมกิจกรรมกันมันจะเป็นทางศีลภาวนาที่เป็นจิตตารังกาลังจิตตบริคารั ง, รงทีนีป้ประการที่หกเนี่ยสมณ ส, สู ป, ปะวิจารธ า, านังศีลังภาวยัง ให้ทารักษาศีลอิงอาศัยอิงอาศัยโสมณัตเพราะมันได้โสมณัตเพราะมันได้สุขมันได้รับปีติเพิ่มใจถึงทําถึงไปทําอยู่บานเครียดทํางานมันก็กุ้มแต่ถ้าไปอย่างนี้รู้สึกมันสดชื่นมากได้ความท่องใสทุกคนยิ้มแย้มท่องไสไปเห็นแต่ชุดขาวๆชื่นใจเร่องฮะ ชื่นใจอ่ะหลังนี้เยบด้วยนะน่าชื่นใจนะเข้าไปจิตก็โอ้ชื่นใจดีมีกิจกรรมด้วยอะไรด้วยเนาะมีการนั่งกันเป็นแถวนั่งเป็นแถวนะมีการจัดระเบียบด้วยถ่ายภาพออกมาโคดูทางทีวียิ่งน่าชื่นใจบันมมือชื่นใจนะโอ้ยชื่นใจชื่นใจเป็นประเภทอะไรเนี่ยได้อิงอาศัยอะไร สมนัสโสมนะเคยเป็นแบบนี้ไหมเป็นไม่เป็นชอบแบบนี้ไหมชอบไห ม, ไมก็เคยทํามาตั้งนานแบบนี้นไงข้อที่เจ็ดอรังกาลปริวัทานังอรังกาลปริวาระทานังสีหลังแล้วก็เผายนงให้ทารักษาศีลให้เป็นเครื่องประดับและเป็นบริวารแห่งจิต ไอ้ตรงนี้ต้องขยายเลยเนี่ยประดับยังไงเป็นบริวารยังไงว่าหมดเวลาสำรองนิดเดียดูอีกนิดนึงในชั้นของคำสอนท่านใช้คำว่าประดับแวดล้อมจิตอันสำประยุทธ์ด้วยสมถะและวิปัสนาญาแปลว่าอะไรเนี่ยจากทานกุศลธรรมดาพัฒนาสู่ศีลกุศล ทานกุศลศีลกุศลเบดเสร็จเอามาพัฒนาสู่สมถะคือภาวะที่จิตสงบนะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องปลุกร้าคุณธรรมกล่าวคือฉันท้าทให้มีกำลังไหมฉันทะาคือความรักความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเดินทางศีลภาวนาที่มีกำลังวิริยะ เพียรพยายามบากบั่นในการที่จะทาทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มีกำลังจิตตายเอาจิตจดจ่อในการที่จะทาทานศีลภาวนาและวิมังสาในการที่จะปรับประดับตกแต่งจิตอย่าลืมนะว่าสภาพจิตเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเอาทานกุศลมาละลึกนะจะประดับตกแต่งจิตได้ไหมคำว่าประดับในที่นั้นก็คือทำจิตที่อ่อนแอให้เริ่มมีกาลังมากขึ้น ให้เป็นบริขาละให้เป็นบริวารให้เป็นบริขารของอะไรให้เป็นบริขารของสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าตราบใดสมาธิไม่ตั้งมั่นจากการเดินทานศีลภาวนาหรือพิจารณาถึงพระัตนตรยัยพุทธคุณธรรมคุณหรือสังคคุณแล้วเนี่ยจิตก็จะไม่เป็นอลังการละไม่แพวพราวไม่ไม่เ อ, อึดอินแล้วก็ไม่ตั้งมั่นไม่แข็งแรงเลย สภาพศรัท ธ, ธาวิริยะจิตตะสมาธิปัญญาทั้งหลายเลยนี้นะสภาพของศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นก็จะอ่อนแอเหมือนเดิมใช่ละ่ะฉะนั้นจะต้องมีการประดับมีการปรุงแต่งฉะนั้นไอ้รูปแบบเวลามาละลึกเนี่ยเอามาละลึกบ่อยๆ บ, บางทีเราก็พูดไปใช่ไหม ข้าพเจ้าขอให้สีเป็นทานเอาเสียงเป็นทานเอากลิ่นเป็นทานเอารสเป็นทานเอาบทถ้าผ้าเป็นทานกายกรรมเป็นทานกุศลกายกรรมเป็นสีกุศลเป็นพา้ามันได้แต่พูดหมดเลยแต่จิตจริงๆมันมันไม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมเออได้แต่รูปแบบกลับไปอีกแล้วเออย่างดียังได้รูปแบบอีกไปนั่งท่องเตะรูปแบบกันอีกแล้วแต่เนี้ยอสภาพจิตเนี่ยดึงไม่ขึ้นอีกแล้วไม่ขึ้นมันไม่ไปอ่ะ มาจำตอนสมัยเป็นเด็กๆเพื่อนนั่งข้างๆก็โดนครูด่าโดนครูว่าเอาครูก็ตำหนิสอนอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมสอนอยังไงก็ไม่ก็มันก็ฟังมันหลับบ้างอะไรบ้างเนี่ยพราไม่เคยเสนใจเนี่ยครูก็ตําหนิเขาตําหนิเขาครูก็พูดพูดคําหยาบๆนิดนึง เ, เอ็งนี่ส อ, อนยากจริงๆ ยังกระจงงัวจงควายเข้าไหาเลยก็เนี่ยเราก็นึกแล้วมันเจียจงเข้ายากไหมเราจงเข้าหายได้ยากไหม <c oughs> จริงๆนะจิตเนี่ยเวลาเราจะตกแต่งจิตประดับจิตทําจิตให้เป็นอลังการละเนี่ยยากไหมแหมยังกระจงงัวควายเข้าไหาเลยนะ <c oughs> มันไม่ยอมเข้ามันถอยหลังไหมันถอยหลังเออไปอัน <c oughs> นั้นเด็กโคสอนเด็กไม่ใช่มาว่า ก็เนึกถึงคำครูได้พดูนึกถึงคำอาจารย์ได้นึกเอื่อจริงนะ่ยกิ่งคคบขึ้นเขายากไหม ย, ยากไหถ้าหอบเอาเขามาก็ยัดใส่คคบยากไหมอันไหนยากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันมันเต็นไปได้ไหมเอาเขาทั้งโลกเนี่ยมาอัดใส่โคบได้ไหมกิ้งคคบขึ้นเขายังพอไหวนี่ฉะนั้น ประดับจิตตกแต่งจิตเนี่ยมันทําได้ทําได้โดยการที่สติเนี่ยที่มีกําลังไม่ใช่ตามกําลังนะสติที่มีกําลังนี่แหละตามระลึกมั่นระลึกมั่นในทานเนื้กุศลนะถามว่าเมื่อสติเกิดขึ้นในกระแสของชีวิตตอนนั้นสติเป็นสาสนาไหมสาสนาไหมเป็นธรรมมังสรารนังขะสัจฉามีหรือพุทธังหรือสังฆังแสดงและลาปารลเป็นพุทธังแสดงขะสัจฉามีไหม ว่าอริยทรัพย์เหล่านี้พระพุทธเจ้าใช่ไหมทรงประทานเหนพระมหากรุณาธิคุณาาพะระพรทธเจ้าศรัทธาสติหิริโอตปาอะโลพาอะโทสาตัศรมาชิตตากุศลธรรมเหล่านี้จะต้องแผวเผาต้องเป็นอรังการะทั้งหมดเลยงันะจะต้องได้อาหารจะต้องได้อาหารจะต้องได้เชื้อได้เหตุได้ปัจจัยในการสั่งสมจนสามารถมีกําลังเติบโตขึ้นมาจริงๆเขาเรียกปรับตกแต่งจิตให้จิตเนี่ยนะเข้าไปสำปยุทธสหิละคด หรือประกอบกับจิตที่เป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นและสมาธิที่ตั้งมั่นเหล่านั้นแหละจะได้เป็นฐานแก่การเจริญวิปัสสนาญาณในการแทงตลอดเห็นทุกข์อย่างแท้จริงละสมุทัยทํานี้โรดให้แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคให้เกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ถามว่าข้อสุดท้ายเนี่ยสําคัญหรือไม่สําคัญอันนี้ใช่ไหมเป้าหมายของวัคขฉาเนี่ยนี่แหละข้อนี้แหละจิตตังรักจิตตารังกะกาลังจิตจตบริขาลัง จิตารังกาลังนี่เลยฉะนั้นต้องประดับตกแต่งจิตให้สัมบยุทธกับสมถะคือความสงบให้ได้แล้วต้องประดับตกแต่งจิตให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเจริญวิปัสนาญาณให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาให้ได้เพื่อจะได้แทงตลอดสัจจะแล้วจะได้มาซึ่งพระนิพพานต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมากลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวเราก็ไปสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็มาเกิดเป็นสันนิโรกอีก ก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์บ่าใบบอดนวกเป็นมนุษย์นับถือพระเจ้าพระพรหมพระอินไปถือผีถือนางไม้ถือป่าชา้าถืออะไรไปสร้างสำนักก็ไ ป, ปโปูกนี่ละโปกอะไรดียอมประเสด็จโูกสารพระภูมิเป็นสาารณะไปใช่ไหมโอ้มีอิวัตหนึ่งนะึง คือยะคือพระท่านก็คงจะเข้าใจแต่ท่านคงไม่ค่อยมีอวัยเท่าไรนี่นาท่านก็โอ้ยยมไม่สร้างศาลว่าภูมิจะใหญ่โตนี่มลพาไปอยู่พากขาค่อยแอบที่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาค่อยๆลากศาลว่าภูมิโยนลงน้าโว้ตายเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยทชาบ้านบอกโอ้ยท่านทำลายกล่องนงใจของฉันแล้วหาโยนพระเอาโยนลงน้ำ พาพากลากสัก<笑><笑>โกรธไหมถ้ามีใครจะมาจับเงินโกรธเลยเนาะเพราะเราทำเรากลัวไหมเพราะเรายังกลัวไงคนที่กลัวเพราะอะไรสารณะมีแข็งแรงไหมเพราะสาธารณะยังไม่แข็งแรงวันได้ว่าหนึ่งสารณะแข็งแรงเนี่ยก็อย่างในในในคําสอนใช่ไหมนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมแต่อย่าไปแต่อย่าไปไปประทุสร้าย นะนะอย่าไปดูด้วสลายทำบุญก็อุทิศให้แต่อย่าไปขอว่าท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเพราะเทวดาชั้นจาตมทั้งหลายท่านก็ยังต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอยู่ท่านก็ไม่มีที่พึ่งนะถ้าท่านเป็นบุตรชนนะ่ะท่านก็ยังต้องสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ท่านก็ตกลงมา กายเป็นสัตว์นรกก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้เปรตก็ได้สุรกายก็ได้สรุปแล้วคนที่ยังเป็นบุรุชนแม้จะเป็นเท้ามหาพรหมก็ยังอยู่ในสถานะเป็นอันตรธานภูมิปุตุชนภูมิการหาภูมิท่านยังอันเนีแม้จะเป็นท้ามหาพรหมเนะียยังเป็นบุตรชนภูมิอยู่แนนะ่ๆนี่เป็นบุตุชนไงเป็นอันตรธานภูมิด้วย แล้วเป็นกัรหาภูมิด้วยเป็นภูมิที่ต่ําด้วยใช่ไหมลนะ่ะอย่าให้สิ้นกรรมสิ้นเลิ์สินส้นยศนะหมดความเป็นใหญ่เมื่อไหร่ตกไหมตกอีกก็นางลูกสุกรเนี่ยเคยเป็นพรหมไหมเป็นมาแล้วเนี่ยต่อมามาเป็นลูกสุกรวิ่งปึ๊บปึ๊บปึแถวงั้นถ้าเราเห็นสุนัขวิ่งวิ่งมาเนี่ยอดีตอาจเป็นใหญ่ได้ไหมเนี่ยอดีตผู้นําได้ไหมเนี่ยได้ แต่ตอนนี้เป็นไงพอสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบนี้อะโยมเป็นแบบเนี้โอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงน่าสะหล่ใจไหมล่ะสมมุตินะว่าเราเป็นคนอยอมเกลียดอะไรที่สุดในบรรดาสัตว์เดรัจฉานฮะเกลียดอะไรเกลียดหนูใช่่ไหมหนูตัว น, นั้นตายแล้วมันมาอยู่ในท้องเรา มันเป็น ล, ลูกโห้ยเรากรอดใหญ่เลยนะอดีตหนูดโดนนั้นชื่นใจโอ้ยลูกลกัลกลกูกรักนี่นเป็นยังไงนะโมหะเนี่ยมันมองไม่เห็นโอ้ยรักมากแล้วบางทีนะศัตรูเลยนะเคยฆ่าเราเลยนะลูกนะี่เคยฆ่าเรามาเลยนะเหมือนที่พระท่านไปหลงไปชื่นชมุบาสิกาไปประพฤติปฏิบัติโอ้อบาสิกาท่านเป็นภระรยาด้วยเนะ แล้อยู่ต่อมาอุบาสิกาก็แล้วท่านเจริญก็มันแล้วต่อมาท่านเนี่ยประดับจิตตกแต่งจิตเป็นสมถะและสมาธิข ย, ยิปั ส, สนายาแล้ะท่านบรรลุพอบรรลุเบสเสร็จแล้วท่านลึกโอ้โหเก้าสิบเก้าสิบเก้าอัตภาพเฮ้ยบาสิกานี่เกี่ยวข้องอะไรกับเราบอกโอ้โขาเรามาทุกชาติเลย <Okay. S 1> เก็บ อาถรบริขารเลยนั่นผมไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ที่ยกมือไหว้เจ้าจขาเจ้าขาเนี่ยผมไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วจะาอุบาสิกาบอกว่าท่านท่า น, านช่วยระลึกต่อไปหน่อยเถอะระลึกต่อท่านก็ระลึกต่อไปอีกจึงรู้ว่าโอ้เคยมีอุปการะอย่างมาเทนไม่สังสารวัฏเป็นแบบนี้ฉะนั้นคนที่เราเกลียดที่สุดจะเคยคลายเป็นลูกเป็น บอกจะไปรังเกียจกันในประเทศไทยแต่รังเกียจยังไงไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมรังเกียจกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปูย่ย่าตายายอย่างนั้นมาเข็เนฆ้ากันมาทุจริตกันเยอะนั่นแหละไม่รู้ไงเพราะไม่ฉลาดในคำสอนเขาถึงบอกไงถ้าไม่ฉลาดอย่าไปเป็นผู้นําเขาทุกระดับถ้าไม่ฉลาดอย่าไปเป็นครอบครัวอย่าไปมีครอบครัวจะนําครอบครัวไปลงอบายทุกต์ทิฏวิธิบาลในโลก ถ้าไม่ฉลาดจะเป็นผู้นําหมู่บ้านจะลงไปพี่ถ้าไม่ฉลาดจะไปเป็นผู้นําระดับตบําบลระดับอําเภอระดับจังหวัดระดับภาคแม้ระดับโลกเพราะมันจะพากันลงอาบายทุกข์กติเล้พี่ายต้องบอกว่าคนไม่ฉลาดไม่ควรเป็นผู้นําไม่ควรใช่ไหมถ้าเป็นก็ยุ่งดีนําทุน ใช่ไหมเาไม่ได้นำเข้าหาทานศีลภาวนา ท, ที่จะเป็นเครื่องประดับจิตตกแต่งจิตปุงแต่งจิตที่ถูกนะนําผิดนำบ้านนั้นเนี่ยแม่แม่บวชเข้ามานะถ้าไม่จะได้ ก, ก็จะเป็นนำ้นำน้ำไม่ยุ่งเลยนําแล้วยุ่งยุ่งไม่ยอมยุ่ ง, ง, งสมควรแก่เวลาใครถามปัญหาถามเลยมีใครทํามปัญหาไหมมีไหมถามปัญหาไห ม, ม, ไหม ไม่มีแล้วนะโอ้ดีแล้วเกินนะดีแล้วมีรอเปล่าอ้าวอ่ะอ๋ะอกราบเรีทรา่ะอาจากรบเรียนถามว่าตอนที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยแน่นแน่นแล้วไปสู่อิริยานาเนี่ยตอนที่จะระลึกหรือพิจารณาถึงความไม่เที่ยนได้นี่มันต้องมีตัวอื่นมาต่อยอดด้วยได้เอเล<ม>่าคะมีราย<ร>ละเอียดต้องค่อนข้างไม่ใช่น้อย ในรายละเอียดในการบุคคลที่จะเดินวิปัสสนาญาณได้นั้นไม่ใช่เป็นการคุยกันห้านาทีจบนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าลำดับแรกอย่างเราท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งอัยาศัยในการที่จะเป็นปัจจัยกับการพ้นทุกข์ให้ถูกให้แข็งแรงน้อมในการที่จะต้องสละออกจริงๆในการที่จะเดินศีลทานภาวนาเดินทานศีลภาวนาหรือน้อมกระดุมบรัดนณาตัยต้องชัดด้วยนะ และในขณะเดียวกันก็คือว่าต้องประดับจิตตกแต่งจิตเพื่อสัมปยุทธ์ให้จิตเป็นสมาธิตั้งมันก่อนนะให้ชัดเจนตรงนี้ส่วนในรายละเอียดเกี่ยวในเรื่องของวิปัสสนาญาณมีหลักอยู่ว่าบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องรู้จักลักษณะของทั้งกลุ่มทำสองกลุ่มคือธรรมะที่เป็นกุศลกับธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่มีคุณกับมีโทษให้ชัดแยกแยะรายละเอียดให้ชัดแล้วก็ต้องมีความชัดเจนเข้าใจในเรื่องของรูปขันธ์รูปกายให้ชัดด้วย ทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะต้องมีรู้จักหน้าตาของเขารู้จักกิจของเขารู้จักอาการปรากฏรู้จักเหตุกาณเหตุกล้์ของกลุ่มนำมาทำและรูปฏธรรมให้ชัดเจนด้วยเพราะสิ่งต่างๆนี้เมื่อรู้รายละเอียดโดยการที่จะไปรู้ลักษณะของเขารู้กิตของเขารู้อาการปรากฏรู้เหตุกาณเหตุกลร์ของเขาเบ็ยเสร็จมันจะแยกแยะและจะได้ไม่ลุ่มหลงพระรยาสอนในเรื่องของอายะโกศุนแล้วก็ปายะโกศุนโดยเฉพาะอุปายะโกศุนเนี่ยก็คือต้องฉลาดฉลาดในธรรมะที่เป็นกุศล กลุ่มนามธรรมที่เป็นกลุ่มกุศลทั้งหลายเช่นกลุ่มศรัทธาต้องฉลาดว่ามีลักษณะหน้าตาเป็น ต, อนอน ต, นตน้นอย่างไรวิริยะมีลักษณะหน้าตาเป็นต้นเขาเป็นยังไงสติลักษณะของสติมีลักษณะอย่างไรมีกิจเขาเกิดขึ้นมาเขาทาลายอะไรทําลายความหลงลืมสติยังไงอาการปรากฏของสติเนี่ยเขารักษาจิตรักษาอารมณ์รักษารักษาคุณของพระ t h a n a ไตรไว้ในใจตนเองอย่างไงเป็นต้น แล้วก็เหตุใกล้ของสตินั้นคือตัวโยนิโสมนัสการเป็นต้นเนี่ยความเป็นผู้คิดพิจารณาใส่ใจโดยอุบา ย, ยชอบอย่างไรเป็นต้นเนี่ยหรือหรือเหตุใกล้ของสติคือตัวสัญญาเนี่ยที่มั่นคงความจําที่มั่นคงหรือตัวสติปฐานเช่นตัวพุทธคุณเนี่ยระลึกพุทธคุณบ่อยๆ่อยและอเพเนียร์ทให้สติเกิดได้รวดเร็วเนี่ยนี่ต้องชัดอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้จักลักษณะรู้จักรู้จักลักษณะหน้าตาของสติกิจการงานของสติ อาการผลที่สติมันเกิดขึ้นอาการเป็นยังไงแล้วก็เหตุใกล้อะไรเป็นเหตุใกล้เหตุไก์ของสตินัน้นใน้ชัดสมาธิและปัญญาเป็นต้นตลอดถึงลักษณะหน้าตาของโลภะเป็นยังไงจิตเมื่อโลภะเกิดขึ้นมาเขาทากิจการงานอะไรมีอิทธิพลขนาดไหนเนี่ยการงานกว้างขวางยังไงเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วสภาพมันปรากฏชัดเจ น, เนยังไงจะได้ไม่ลุ่มหลงแล้วอะไรเป็นเหตุทําให้โลภะมันอะไรเป็นอาหารของเขาเนี่ยมันถึงโตขึ้นโต ว, วันโตคืนเนี่ย โทษะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันมานะความเย่อหยิ่งถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจขาความลังเลสงสัยที่มันไม่ปักใจเชื่อบางทีเนี่ยต้องไปรู้จักหน้าตารายละเอียดเขาให้ชัดสองกลุ่มนี้เขาเรารู้จักทำที่มีโทษและไม่โทษต้องฉลาดทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ไม่มีโทษต้องฉลาดเนี่ยนะชัดเจนนะและฉลาดทางเดินของเขาด้วยแล้วก็ต้องฉลาดในอาหารของเขาด้วยเบ็ดเสร็จทั้งหมดสําคัญที่สุดตอนอุบาย วิธีการที่จะทำให้ให้การละ บ, บาปได้จริงและการเจริญกุศลได้จริงการการเข้าไปวิจัยในการพิจารณาเห็นด้วยความไม่ยกสู่ไตรลักษณ์เนี่ยด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา น, นีเนา้เป็นอุบายเป็นอุบายอันนี้ยากที่สุดนะไปจําแนกหรลกันได้ทั้งหมดเลยถ้าบอกทํำยังไงนี่จะเจงตรงเนี้ยเวลาจะทำํำให้เกิดกุญเมองมันเป็นตรงเนี้ยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่า เมื่อจิตตารังกาลังจิตตาบริขาลังสัมปยุติโดยสมาธิตี่ตั้งมั่นจนคล่งองแคล่วแล้วเราท่านทั้งหลายเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ฉลาดทั้งคําสอนของพระเจ้าฉลาดทั้งการปฏิบัติมีประสบการณ์สองส่วนด้วยนะฉลาดถ้าจะหาอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชํานาญในในในบิดกไหนถามเลยวินัยวิดกแคำนานไหมพระสุตตันต์บิดกชํานานไหม ถามเทียบเคียงไปหน่อยพระอวิธามีหรือถ้าชำนานไปเสร็จผู้ท่านอาการท่านอาจารย์ผ่านการปฏิบัติมาเท่าไหร่เียนวิทยาศร์เทียบเกียงถ้าโอ้ชำนานสองส่วนอีกเริ่มได้แล้วะเริ่มไ ด, เมได้เริ่มได้ที่ปรึกษาแล้วทีนี้ชำนานสองส่วนนี่ใช่ไหมล่ะทั้งส่วนของคําสอนไม่พลาดแน่และส่วนตามปฏิบัติก็ชัดเจนเขาบอกโอ้อย่าไปเอาเลยเรียนทําไมเสียเวลาอันนี้เริ่มไในนี้เนี่ยมีปริเสตผู้ทวารเลยนะเนี่ยเสียเวลา ย, ยอมตรงเลย เลือดตรงเลยสายตรงสายตรงไปดูที่ฤาษีเกียรติที่อียีสายตรงเป็นแถวมันสายตรงเป็นแถวเขนั่งกรรมฐ า, านวันละเป็นสิบเป็นสินส้าชั่วโมงถามไปกันได้ไหมเรกไม่ได้หรอกไม่ได้เลยมต้องชัดต้องชัดไหมต้องชัดถ้าไม่ชัดออก็ลำบาก ภูขามพัทวตาอภิวาทนตุสุวัตถุพัทวาตามโมหามนัสสานิสุวารีอโนพัทวาโตชาวกัสังโฆสัง ได้เจรนามะคะว่าพระผูเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสังค้ตระได้เปล่งกล่าพระธรรมให้เรามีาที่พึ่งคือธรรมลตระธรรมนั้นก็ผลิตมาจากโปรติญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงได้พึ่งในสิ่งที่เป็นสารณนะทั้งสามประการโดยแท้ สิทธุทัตราตาธรรราตนาและสังขาราตนาขอพระคุณจากอนุโมทาท่านอาจารย์ที่ทงให้เราได้เข้าถึงซึ่งรัตตาทัศน์